เหมือนกที่ไปคุยกับพวกคุมวัดเก็บสตางค์คนเที่ยววัดอ่ะอีงคนจีนฮ่องกงคนจีนไต้หวันมาเนี่ยเขารู้เลยครับไอค้นคนไอ้เฝ้าตัวนะวัดโพวัดเป็นจายรู้เลยเราไม่รู้เราก็ถามมัรู้ได้ยังไงเขาบอกว่ามันมีอาการบอกมีอะไรบางอย่างเขารู้แล้วก็ อ่าเล่าอีกการ์อีกที่หนึ่งอ่าไปอยู่ที่โรงแรมชั้นหนึ่งที่หนึ่งที่ที่เชียงใหม่เมื่อก่อนเขามีกิจกรรมไปบรรยายทางวิทยาการแล้วก็นั่งนั่งคุยกับผู้จันัดที่โรงแรมเขาก็มาเป็นคนที่มารับการอบรมด้วยเนยเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นโสเป็นนีไอเรามองไม่ออกก็ถามไอเรารู้ได้ไงก็บอกอาการมันบอกเขาไม่ทราบ ต่คนเรื่องอะไรอะไรคนคนุคน้นเลยผมมันเหมือนกันถ้าเป็นในในห้องกรรมฐานเนี่ยก็รู้อยู่ว่าคนนี้แค่ไหนนะไอ้อย่างเราโ่ทั่วไปไม่รู้แต่ว่าคนที่เขาคุกคลีเขาสอนอะไรเขารู้เออไม่ได้มีประกิจแต่ทำไมรู้ประนั้นพวกพระพุทธเจ้าในเวลาเสด็จไปที่ไหนๆเนี่ยถึงจะไม่ยอมรับด้วยอำนาจมายา เห็นแก่หน้าเห็นแก่อะไรแต่ว่าจะต้องยอมรับในทางความรู้สึกถ้ามีศรัทธามีความจริงใจด้วยก็จะแสดงความเคารพนอบน้อมอดา บ, บทนี้เห็นแล้วก็เลื่อมใสก็ เ, เอาดอกไม้เนี่ยครับมาโรยทางเดินอนี้ก็เป็นธรรมเนียมคล้ายๆที่ใช้กันเดี๋ยวนี้นะเอาของเราเดี๋ยวนี้เขาตอกดอกไม้ยมาโรยให้เดินเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าก็เสด็จดำเนิน ไปบนดอกไม้ที่ดาบทโปรยให้เดินดาบทก็ทำอัญจชิีกรรมโปรยไปทำอัญจชิีกรรมไหว้ไ oh. พระอุเทจรัก็ส่งตรัสพยากรว่าดาบทเนี่ยอีกหน่อยจะได้บรรลุ อ, น, อนุบรรลุอุจริมนุษธรรมชั้นสูงไม่ใช่เดี๋ยวนี้ชาตินี้เป็นแต่เพียงสร้างสมบรมีไว้แต่จะว่าได้บรรลุเป็นอารามตะกีนาศพในสมัย พระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระพุทธโกดม ก, กระทงตรัสรายกรอเป็นลูกหน้าอย่างนีน้นี่เป็นองค์ลูกครับทีนี้มาพูดถึงองค์พ่อองค์พ่อก็ก็เป็นพ่อนะชีวิตครอบครัวก็เรียบร้อยดีต่อมาเนี่ยลูกบวชก่อนบวชไปพระพุทธเจ้าลูกบวก่อนพ่อศรัทธาก่อนพ่อไปบวช ก็ชีวิตเป็นสู่พ่อเองเห็นลูกบวชก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะลูกเราเนี่ยก็ยังหนุม่มยังแน่นเขายัางมีเหตุผลมีความคิดมีโลกทัศน์มีชีวทธาตุไอเราณนะอายุเดี๋ยวนี้นะ่ะร้อยี่สิบเข้าไปแล้วทําไมเราถึงอยู่อยู่รอความตายใจเย็นอยู่รอความตายจะได้ยังไงเราจิ่งควรจะต้องรีบไปบวชควรจะบวชก่อนลูกด้วยนะมีลูกบวช ก่อนบรรลุเป็นพระาอารหันต์ไปแล้วก็เลยตัดสินใจบวชตามลูกไปด้วยเมื่อไปบวชไม่ได้ไปบวชอยู่กับลูกอ่ะไปบวชอยู่กับพุทเจ้าก็ดีว่าแม้ถ้าน่าไปบวชอยู่กับลูกไปเป็นลูกวัดของลูกเป็นเวไนยของลูกนี่คงเป็นตัวอย่างชีวิตพระอรหันต์ที่ประหารลาดนะครับอราหันต์ที่มีลูกเป็นเวไนย อาจจะมีผมยังไม่ได้เจอรายนี้พยายามอ่านแล้วก็ลุ้นๆไม่มีให้เป็นไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรอยะน้อยก็เป็นอุทาหรณ์เป็นแบบอย่างให้สอนโดยตรงโดยอ้อมฮะไปอยู่พุทธเจ้าบวชบาเพ็ญกรรมฐานก็เลยเป็นต่างคนพ่อลูกนี่เป็นพุทธเวไนยทั้งคู่ครับพ่อบวชไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นอรหันต์ที่บรรลุเมื่ออายุร้อยยี่สิบปี ลองลองฟังความรู้สึกของท่านที่ท่านบอกว่าเรามีอายุยี่ร้อยยี่สิบปีจึงออกบวชเป็นบนรรพชิตได้บรรลุวิชาสามแล้วบำเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วอันนี้ก็บอกคื อ, อเวลาไปเห็นพระอายุมากมากเนี่ย อย่างเราไม่คุณกับรพร <air> ะเราก็อาจจะนึกว่าปัญษามากแล้วก็เหมือนอย่างพระองค์เมื่อกี้ท่านเคยบอก่างทีพระบางองค์เนี่ยไอ้บวชเมื <BR> ่ออายุมากโดยวินัยจะต้องมากระมาอัญเชลีกรรมกับพระที่มีอายุบัรษามากกว่าแต่ท่านบอกองค์นี้รู้มองหน้างก็รู้ว่าท่านอายุบัญษาแต่ท่านก็ทำเป็น ว่าอายุพรรษา ม, มากให้เราไปกราบอะไรเงี้ยท่านก็รู้แหละแต่ว่าท่านก็ไม่ถามเพราะไม่ได้คุ้นเคยกันมันก็ผิดวินัยบอกว่านี่ยผิดวินัยก็ต้องกราบด้วยเหตุผลอื่นหรือแม้แต่บางทีอวิปัสสนาจารย์บางท่านที่ที่พมา่าคือคืออย่างเงี้ยท่านอต้องฝึกระวังนั้นด้วยอธิกรบางอย่าง เมื่อชำราดีก่อนแล้วก็บวชใหม่ท่านจึงบวชทั้งกันเนนก็จริงๆริมีชื่อเสียงเอ่ยซึ่งทั้งก็ต้องรู้เนี่ยก็ตอนหลังมันมีเรื่องก็ต้องศึกแล้วก็กลายเป็นว่าอายุภารรษาเกิดอ่อนความลูกสิทธิพระลุกสิทธิแล้วก็อ่อยกับพระอีกหลายองค์ที่ไม่ได้ลูกสิก็มีปัญหาว่าเออเจอกันเนี่ยใครจะไหว้ใครก่อนนะฮะโดยหลักขวีน่น ผมก็บอกว่าเออยังนี้ก็ต้องไหว้แบบเหตุผลในกองวิสุที่มากแล้วคือไหว้ด้วยปลาลบความเป็นอาจารย์นะปลาลบความเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ซึ่งมีอายุบรรสา ม, มากกว่าอาจจะไหว้อาจารย์ได้ผมก็ขอผ่านเลยไปถึง องค์ที่หนึ่งร์อยเก้าองที่หนึ่งร้อยเก้าชื่อว่าพระสังาคารกิตะพระสังาคารกิตานั้นประวัติการบวชท่านเป็นก้าหาบดีชาวเมืองสาวัตถีก็มาบวช ด, ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาบวชแล้วก็ได้เรียนกรรมฐาน อามาอยู่กับพระสาหาย อ, องค์หนึ่งในคา ว, ว่ามาอยู่กับพระสาหายเนี่ยโปรดเข้าใจว่าชีวิตพระไม่ได้อยู่กุฏิเดียวกันนะอยู่คนละจุดแต่ อ, อ, อยู่ร่วมอาณาบริเวณกันต่างคนต่างบําเพ็ญกรรมฐานนี่ท่านสังฆรักิจตาเนี่ยท่านก็บําเพ็ญกรรมฐานก็ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรทีนี้มันมีไอ้สิ่งกระตุ้นนะอย่างที่เราเคยพูดว่า ก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอริยานจะมีจะมีสิ่งกระตุน้นกระตุ้นนอกภายนอกชั้นนอกชั้นในก็อาจมีบ้างสำหรับท่านตรงนี้นะสิ่งกระตุน้นความเพียรกระตุน้นความสังเวชให้แก่ท่านเป็นวิทยาล้ำไพ่แก่ท่านก็คื อ, อตรงบริเวณที่ท่านอยู่เนี่ยมนางเนื้อแม่เนื้อตัวหนึ่งมัน มีลูกอ่อนมันก็ห่วงลูกไม่กล้าไปกินหากินในที่ไกลกระทั่งทําให้ลําบากแล้วก็ดูสู้เสียวสู้ผอมมีอะไรเนี่ยเราก็คอยระหวานระแวงลูกของตัวเองอยู่ไม่เป็นสุขนะลําพังตัวเองเนี่ยธรรมชาติของเนื้อก็มีลักษณะหวาดละแวงอยู่แล้วก็เลยทั้งระแวงทั้งอยู่ลําบากด้วยความห่วงลูกทีนี้ไอ้เรื่องไอ้ตรงนี้นะ่ะถ้ามองในแง่บวก ก็มองเป็นเคชิงของความรักลูกนะพูดในแง่บวกนะพูดไปได้มองอีกแง่หนึ่งคือมองในแง่ของกิเลสสภัยคือตัณหาอุปาทานเพราะอันนี้ก็เป็นอุปาทานอันหนึ่งท่านพระกรรมฐานเนี่ยท่านมองในแง่กิเลสต่างหรือท่านก็มองในแง่อ่ากิเลสภัยว่านี่แหละนะเนี่ย ความรักใคร่ผูกพันเนี่ยทําให้อยู่ไม่เป็นสุขอย่างนี้ทําให้เกิดความอยู่ลําบากอยู่ยากอย่างนี้เองอะไรแกลกอะไรกลักเนี่ก็จะต้องคอยอพะวงหน้าพะวงหลังไม่เป็นอันธรมาหากินถึงจะทําใหา้ร่างกายสู้โผลสู้โสมนี่ลทธิของกิเลสเท่านั้นลีธิของกิเลสลีธิ์ของความผูกพันก็มันนึกถึงว่าเออเราเองเนี่ย ก็ไม่ต่างอะไรกับแม่เนื้อเรายังมีความผูกพันนี่นไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะเราคือท่านตาลบกิเลสนี่มันน่ากลัวจริงๆหนอเวลานี้เราเมื่อเราบวยออกมาหน้าที่ของเราก็คือการละกิเลสถ้าเราไม่ละกิเลสเราก็จะต้องไปแบกทุกข์ด้วยความผูกพันอย่างนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นอย่า ก, กระนั้นเลย เราควรจะตั้งความเพียรไว้ให้ต่อเนื่องและอย่างแยกกายท่านก็าบำเพ็ญเอาอาศัยความคิดที่ลังเกียดกิเลสนี่นแหละครับมาเป็นเรื่องกระตุน้นทําความเพียรและเป็นเหตุทําให้ท่านได้บรรลุพระอราหันต์เพราะข้อปลาลบนี้ที่เรียกว่าปลาลบกิเลสสะพายมาเป็นเครื่องกระตุน้น ออันนี้ผมฝากเป็นข้อคิดว่าถ้าพูดถึงว่าคนทํากรรมฐานนะฮะหรือคนกําลังทํากุศลธรรมอะไรก็แล้วแต่นั่นนะอาจเป็นว่าเรายกตัวยอย่างแบบกรรมฐานว่าคนทำกรรมฐานแล้วเกิดขี้เกียจเกิดย่อหย่อนเกิดอะไรแต่ไรเนี่ยให้พยายามหาเครื่องกระตุ้นที่ดีที่สุดที่เรารู้สึกชัดเจนที่สุดเอามาเป็นเครื่องกระตุน้นกระตุ้นอาจจะเป็นในทางบวกก็ตามทางลบก็ตาม นะว่าเราเนี่ยเราอยากพ้นทุกข์ไหมเรามีความทุกข์ไอ้วิธีนี้ช่วยได้เราจะมามัวประมาทมัว เ, เลี่ยงทุกข์อยู่ทําไมเหมือนเลี้ยงทุกข์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องกับเครื่องกับตัวหรือว่าเราลังเกียจความชั่วในตัวของเราเองที่ที่มันก่อกลุมจิตใจอยู่แล้ ว, วรู้ว่าวิธีนี้มันช่วยได้หรือเราต้องการปัญญาต้องการความสำเร็จอะไรก็ตามเอาเราก็ปลารบไว้ให้มันปลารบแน่ใจไว้ให้มันแล้วก็ เวลาจะย่อหย่อนคืนคลายก็นึกถึงสิ่งนั้นถ้าได้สองอย่างก็ยิ่งดีบวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งมันนึกอักดีโยนิโสมติการเป็นประโยชน์แก่ความรักดีความเจริญในธรรมทั้งนั้นขอให้คิดให้ดีแลนะั้นไม่ใช่ทาไปตามยถากรรมไม่รู้จักกระตุกใจกระตุ้นใจตัวเองแล้วเราจะไปนั่งรอให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างงูอย่างนี้ เหตุการ์มันไม่มาปรากฏให้เราได้เห็นแล้วแต่ว่าถ้าคนที่เขาละเอียดเนี่ยเห็นอะไรนี่แล้วเขาก็นึกเป็นในทางาเป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นแหลคะครับ่ีนี้ถ้าเราเห็นเพลนเผลินแล้วมันไม่รู้สึกมันก็ต้องเอาไอ้เรื่องที่อยู่ในใจเราเนี่ยขึ้นมาต่อไปต่อไปนี่คือท่านสังฆ ค, คิตาเนี่ยเพราะเมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้ ยานอย่างรู้จิตของบุคคลอื่นด้วยอ่าอันนี้นะครับเป็นเรื่องของการได้อยู่ใกล้กัลยาณมิตรน่ะ ด, ดีอย่างนี้ถ้าเราเป็นกัลายาณมิตรของอื่นก็ได้ช่วยคนอื่นคนอื่นที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างเราเป็นก็ได้รับการอนุะห์จากเราท่านก็นึกถึงเพื่อนส่งยานไปดูจิตเพื่อนก็รู้เลยว่าเพื่อนเราที่อยู่ในที่หลีกเล่นของตัวเองอีกมุมหนึ่งด้านหนึ่งของป่านี้ มิได้อยู่ด้วยจิตเป็นกุศลกำลังถูกมิจฉาวิตกครอบงำคือการมวิตกปยาบาดวิตกวิหิงสาวิตกกรูนิวรนตัวนั้นตัวนี้ครอบงาเวลานี้วิตกนี้กำลังครอบงำอย่างน่ะอยากกระนั้นเลยเราควรจะช่วยเปื้องอากุศลวิตกให้แก่เพื่อนท่านจึงเข้าไปหาเข้าไปหาในลักษณะที่เรียกว่า พูดสั่งสอนจี้ใจพูดสั่งสอนจี้จใจเพื่อนทำให้เพื่อนได้รู้ว่าเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรม้วยกัรเนี่ยรู้ความคิดของตัวเองก็จะได้เกิดความละอายฮะเกิดความละอายเกิดความรู้สึ ก, กว่าเออเราทำไม่ถูกก็สะดุ้งสะเทือนขึ้นอ่าเพราะคำพูดที่ท่านได้พูดแก่เพื่อนนี่แหละครับ ทำให้เพื่อนเกิดความเพียนขึ้นมาอีกเกิดความระแวดระวังแม้กระทั่งความคิดของตัวเอง อ, า, อาชอาขึ้นอีกเป็นอย่างดีบำเพ็ญความเพี ย, ยรเยบลุเป็นพระ้าหนเลยในท่านวางเครับท่านบอกกต่เพื่อนว่าภ mm. ิกษุผู้อยู่ในที่ส ง, งัดนี้เห็นจากไม่คำนึงถึงคำสอนของพระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประโยชน์อย่างเยี่ยมเป็นแน่จึงไม่สำรวมอินทรีย์ เหมือนแม่เนื้อลูกอ่อนในป่าเช่นั้นนี่ก็ว่าเพื่อนว่าเพื่อนอยู่ด้วยอกุศลวิตกด้วยการไม่สัมโดมินซีเหมือนกับแม่เนื้อไอ้อย่างที่ดันเห็นมานะอะเวลามันกลัวมาอะไรเนี่ยลักษณะเนื้อไม่ค่อยจะสรวมโนะมันระวังภัยตลอดเวลาเดินไปไหนมาไหนก็หันซ้ายหันขวาอยู่เปน็นอาทิตจะดื่มจะกินก็ ไม่เป็นอันดื่มอันกินอันนี้ก็พูดให้เพื่อนเกิดความสะเทือนใจรู้ว่าเพื่อนรู้ใจของเราเลยถือเอาเป็นภาระปฏิบัติทำด้วยอินทรีสังวรตั้งจากคุณสีสังวรจนกระทั่งถึงมณิณรีสังวรบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามเพื่อนไปโดยเร็วอีกเพื่อนจึงได้คือว่าอนุเคราะห์เพื่อนอย่างนี้ ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยสิบองค์ที่หนึ่งร้อยสิบชื่อว่าพระอุสพะอุสภพะนี่แปลว่าโคผู้ประเสริฐก็แปลว่าผู้ประเสริฐท่านเกิดในสกุลคฤหบดีชาวเมืองโกศลครับก็ในบวชเนี่ยเพราะว่าได้พบพระพุทธเจ้าสเสด็จรับพระเจตวันนั่นเองนี่ก็เป็นอีกองค์ที่บวชในเหตุการ์ศรัทธาในพุทธศาสนา และได้พบพระเจ้าครั้งแรกในพิธีมอบพระเจตาวันถวายพระพุทธเจ้าบวชแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่เชิงเขาในปายย่าอีกหนึ่งในโกศนนั่นแหละก็เบังเอิญตอนนั้นนี่จะเห็นว่าคนที่ใจฝักใฝ่ธรรมเนี่ยเห็นอะไรอะไรได้ประโยชน์หมดเป็นธรรมหมดดีก็ได้ประโยชน์ชั่วก็ได้ประโยชน์ครับเห็นเหตุการณ์ดีเห็นคนดีคนชั่วเหตุการณ์ชั่วได้ประโยชน์หมดเลย ตอนนั้นน่ะเกิดเป็นฤดูที่กำลังจะเข้าหน้าฝนนะะใกล้หน้าฝนยังไม่เข้าฤดูฝนแล้วฝนใหม่ฝนแรกกำลังเริ่มลงเมื่อฝน ล, ลงเนี่ยก็ทำให้อากาศจากฤดูร้อนมาเป็นฤดูสบายต้นไม้ใบหญ้าเริ่มมีชีวิตชีวาเขียวขจี อากาศก็สบายทัศนียภาพก็เขียวขจีสวยงามท่านได้แลเห็นอย่างนี้ก็เกิดความคิดขึ้นในเทิงเป็นคำเป็นเหตุการณ์สอนตัวเองว่าเวลานี้อากาศก็สบายเรากำลังใช้โอกาสนี้ทำอะไรอยู่เวลานี้ฝนเริ่มลงดอกไม้ใบไม้ผลีบานเขียวขจีบัดนี้คุณธรรมของเรา กำลังแห้งเหี่ยวแห้งแรงเหี่ยวเฉาไม่เหมือนดอกไม้บานไม่เหมือนใบไม้เขียวใช่หรือไม่เราไม่อายดอกไม้ใบไม้บ้ า, างหรือเราควรจะทําดวงจิตของเราให้งอกงามเขียวกขจีแล้วก็เบิก บ, บานเหมือนกับต้นไม้ใบยญาก็ปลารบถือเอาความเป็นไปของ ทัศนียภาพอ่านเจริญงอกงามเป็นเครื่องสอนตัวเองจึงเจริญทำด้วยด้วยอาศัยบรรยากาศนั้นด้วยเป็นเสเป็นสัพเพ ะ, ะเลยบรุกเป็นตาร า, าอ่านนี่ก็ดูแปลกนะฮะดูแปลกว่าเออท่านก็ชอบคิดเอาสิ่งรอบตัวเนี่ยมาสอนเพราะว่าชีวิตในป่าเนี่ยใครจะมาสอนเราได้ ดีเท่ากับตัวเราเองแล้วก็ถ้าคนสอนตัวเองได้เนี่ยเห็นอะไรมันก็สอนตัวเองได้อคอ่าพ้อแม้นั้นว่าบรรลุเป็นพระหลานไปนะ ท, ท่านอุสภพะท่านอุสภพะเดี๋ยวมาฟังคำพูดท่านหน่อยแล้วดูบุปกรรมท่างก่อนก็ได้ท่านมาได้ดีได้ดีเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้า ได้มาเป็นครูเนี่ยเพราะว่าคือเล่าว่าเมื่อสามสิบเอ็ดกลับมาแล้วท่านได้พบพระพุทธสีขีซึ่งตอนนั้นตัวท่านเองนะเป็นเทพปบุตรก็พรเจ้าเป็นครูของทั้งมนุษย์เทวดาท่านก็เป็นเทวดาตนหนึ่งที่มาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเริ่มสายพระพุทธเจ้าก็ลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับเทพองค์อื่น และการลงมาเนี่ยมาฟังถามด้วยก็าทาการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยในการบูชาพระพุทธเจ้าครั้งสําคัญครั้งนี้คือพระพุทธเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวันท่านก็เอาดอกไม้ิดกว่าดอกมณฑารพเป็นไงไหมครับดอกมณฑารพ เป็นดอกไม้บนสวรรค์มาทําเป็นมนดบเรียกว่าเป็นมนดบดอกไม้ใช้เทวฤตนิมิตเป็นทั้ง เ, เครื่องคุ้มพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นทั้งเครื่องบูชาพระเจ้าทำเครื่องบูชาให้เป็นเครื่องบูชาแบบเกิดประโยชน์ทางใจสอยก็มีความสุขสมมานั้นมากในช่วงเจ็ดวันไม่เป็นอันได้ไปไหน ไ ด, ไ, ดได้ดูกราบไหว้ทำประทักษิณอยู่เป็นอาชินวันนี้เป็นบุญอย่างดีเป็นบุญประเสริฐเป็นโอกาสอย่างเลิศที่สุดทองตัวเองเนี่ยทำบุญเยอยนนี้ก็เลยมาได้ประโยชน์พอดอกไม้อย่างจากบุญอันนี้นะทีนี้ท่านได้กล่าวเป็นข้อธรรม ท, ที่เกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ท่านบรรลุธรรมว่าพฤกษาชาติทั้งหลายบนยอดเขาที่ถูกน้ำฝนใหม่ตกรดแล้วย่อมงอกงามจิตอันควรแก่ภาวนาย่อมเกิดทวีขึ้นแก่เราผู้ชื่อว่าอุสภะผู้ใคร่ต่อวิเวกมีความสำคัญไปแล้วในป่าก็าเป็นลำน้นหน่อยหรือให้ความสำคัญมีความใส่ใจมีความสนใจมีความ 6,000 อยู่กับการดำเนินชีวิตยอยู่ในปา่าก็เลยไปถึงอีกองค์หนึ่งองค์ที่111แล้วนะอง111ชื่อว่าท่านเชนตะเทระ อ, อ่นี่ก็เป็นอีกองคหนึ่งครับที่เป็นโอรสของพระเจ้ามันทลิกราชพระเจ้ามันทลิกราชที่ มีลูกเป็นพระราหันหลายองค์นะซึ่งคลองเมืองเล็กๆคือว่าเชนตะซึ่งอยู่ในแควนมคต์พระโอรสองค์นี้ชื่อว่าเชนตะตามชื่อนครไปด้วยเป็นบุคคลที่ ท่านระ บ, บุว่ามีจิตใจน้อมมาในทางบวชเนี่ยตั้งแต่ยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสั่งสมแต่อดีตนะแต่ก็ไม่ได้ออกบวชหรอกเพราะว่าไม่ยังไม่มีเหตุปัจจัยไม่ไม่เจอช่องทางก็คิดเป็นความคิดประจําตัวอยู่นเนื้ออันหนึ่งว่าอันนี้เห็นจะเรียกว่าสองจิตสงใจก็ะดานว่าการบวชเป็นของยาก เคยตอนอเขาว่ายากไม่แปลว่าโกนหัวบวชยากหรอจะอยู่ในชีวิตการบวชเนี่ยอยู่ยากจริงๆนะการครองเรือนก็ยากมันยากไม่เหมือนกันท่านลองเดา ว, ว่าครองเรือนยากอย่างไรบวชยากอย่างไรท่านว่าเพราะว่าธรรมะเป็นของลึกธรรมวินัยเป็นของลึกลึกโดยความเข้าใจลึกโดยการที่สมาทานให้เป็นของอยู่กับตัว และโคทรัพย์ก็หายากอ่านี่ก็จะเห็นว่าชีวิตคาราวะดำรงอยู่ยากเนี่ยเพราะว่าการหาปัจจัยสี่เป็นของต้องหาไม่ใช่ด้วยความง่ายใช่ไหมไม่ใช่ควักมือเรียกเรียกว่าหาไม่ได้แล้ ว, วไปเที่ยวซรือไปใช้ยไปเที่ยวส่องเียังก็ส่องหากบกอ่ากันค่ำกลางคืนที่นู่นที่นี่ไม่ได้หาอย่างนั้นต้องหาด้วยความเหนื่อยๆบงคนก็เหนื่อยยากมากอยากขังความคิดยาวทางร่างกาย มันก็ยากเท่านั้นแต่ที่เรารู้สึกง่ายๆเพราะว่าเรามีศักยภาพชดเจยใช่ไหมละ่ะบางคนอาจจะเป็นในธนาคารเอ๊ะเห็นอยากไรเท่าไหร่เพราะว่ า, าสิ่งสั่งสมเก่ามันมาทุ่นแรงมีความสามารถมันก็ไม่รู้สึกก็เหลือบ่า่าแรงนะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ๆตัวเองเกิดไปกินหมูที่เขาส่งมาจากอังกฤษ แล้วโรคมันกำเริบสมองฟอกมันกลายเป็นยากเลยครับเอาวั ว, ว, วมัาให้หูหัวนะฮะเกิดยาเอามันจักต้องกลายเป็นของยากแล้วหรืออยู่ๆเอาเป็นโรคอะไรก็ได้เห็นไหมเอาเกิดเกลี้ยงขึ้นมายากแหละหรือเกิดมีปัญหาครอบครัวอะไรขึ้นมาอุปสงนี่บาดแทรกเข้ามาอ่างกลายเป็นของยากเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราเนี่ยที่มันไม่ยากเนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้เหตุอุดหนุนช่วยหลายๆด้านเห็นไหม เอาหรือบางทีเอาไปได้เพื่อนโรงงานที่ไม่ดีมันโกงมันทําให้เราต้องได้รับการพิจารณาโทษติดรางแห่ปลากร้องเดียกไปด้วยก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายยากขึ้นไหมนั้นที่ไม่ยากนี่ใครรู้สึกไม่ยากแสดงว่าคนนั้นสร้างพื้นฐานสร้างพลังช่วยเอาไวด้ดีนั้นความเป็นคารวะในลําบากยากอย่างนี้อยู่ยากเพราะไม่ไม่ใช่เสแวงหาธรรม ไม่ใช่รักษาทําแต่สแสวงหาเครื่องดํารงชีพและรักษาเครื่องดํารงชีพส่วนชีวิตพระเนี่ยมองด้วยเหตุผลของคาระวาระก็ไม่ต้องทําอะไรเหมือนง่ายนะคือว่าพระ บ, บวชบวแล้วง่ายก็เพราะว่ามองด้วยความคิดในทางวัตถุใช่ไหมแต่ว่าเป็นพระเนี่ยต้องสแสวงหาธรรมและรักษาธรรมธรรมวิไนา ย, ยากหรือง่ายโต้ว่าทีกันว่าใครยากกว่าใครนี่ ยังไม่มีใครจัดแต่ว่าไอ้การคิดกันแบบพุนห้วนคนลราแบบคนไม่ชอบพระก็แม้ชีวิตพระสบายไม่ต้องทําอะไรนี่คนที่ไม่เขพอใจชีวิตพระก็นึกว่าแค่โกนหัวแล้วก็สวดศพไปวันวันบินสบาตไปวันวันแค่นั้นนึกว่าพระแค่นั้นแล้วไม่ต้องทําอะไรไม่รู้มีศีลมีอะไรต่างๆบ้างก็เลยนึกว่าง่ายความจริงยาก แล้วพิธีพิสูจน์เนี่ยพิธีที่สูตรอย่างเราโดยไม่ต้องบวชทำอะไรรู้ไหมที่จะเห็นว่าชีวิตการบวชยากโดยเฉพาะบวชแล้วอยู่ในสุราเนี่ยคือไปทำกรรมฐานนะสักเจ็ดวันนะรู้เลยลเนี่แหละค่ะคือชีวิตการบวชแล้วบอกว่าเอาไหมลองไปถ้าสมมติว่าท่านมีไอ้เครื่องต่อรองมาก กับคนบางคนว่าเอาไม้เนี่ยให้อยู่อย่างนี้ให้ปีละล้านนี่ต้องบางคนนะไอ้บางคนเอาไม้ให้ให้ทำเงินเดือนเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้ เ, เงินเงินเดือนเจ็ดร้อยค่าชาวบา้านท่านนายบอกนี่คุณไม่ต้องค่าอะไรทั้งนั้นผมกตายแล้วจะให้เงินเดือนอีกเจ็ดร้อยเงินเดือนได้เต็มเต็มเลยให้ไปทำกรรมาฐานไม่เอาหรอกครับไอ้เจ็ดร้อยเก็บแล้วไม่ได้ไปดูหนังไม่ได้ไปฟังเพลง ไม่ได้ไปซื้อบุหรี่สูไปจะเอาไปทไําไหมใช่ไหมฮะไม่มีใครเอาจริงๆไม่มีใครเอาไม่ใช่แกล้งไม่เอานะไม่เอาจริงๆไอจะเอาบ้างก็เอาพอหมดปัญหาแล้วก็เลิกเใช่ว <c oughs> ่ามมตเอาสมมติาปีละล้านหลังจากนั้นเลิกนะอะไรเงี้ย <c oughs> เอาก็ไม่เป็นไรย่างีๆเราก็ไม่ว่าไม่ว่าหมายความว่าเอาครับอ่าแบบอนาถาจ้างลูกไปฟังธรรมะนะ เอาเป็นกําหนดกําหนดไปพอได้ประโยชน์แล้วเขาก็คงจะรู้สึกเองแหละเข้าใจได้เองไอที่เสียงเสียงเราก็จะได้เลิกเสียงกันไปแต่เราไม่ได้มุ่งมุ่งให้เขาเลิกเสียงออย่างน้อยก็อาจจะว่าเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ายากอย่างไรหรือไม่แต่ว่าเมื่อยอมรับแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นง่ายอ่าคนสมมุติถามว่าภาษาบุตรรู้สึกไหมว่าการบวชเนี่ยเป็นของยาก ถ้าหลานท่านหลายรู้สึกไหมไม่รู้สึกไม่รู้สึกแล้วท่านทําลายหลักการไปเสียหลักการอชีวิตคารวาะชีวิตครองเรือนเป็นของยากท่านก็ไม่ทําลายหลักการก็ระ อ, อะไรเพราะที่ท่านง่ายเนี่ยเพราะท่านมีเครื่องสุนแรงแล้วใช่ไหมใช่เหมือนเราว่าเราขับรถเองไม่เห็นง่ายเองไม่เห็นยากเราทํางานอาชีพเราที่ทําจริงๆไม่เห็นยากเพราะเราทำจนกระทั่งมันได้เครื่องสุดแรงแล้วแต่ในเนื้อแท้ของมันเนี่ยมันยากมันอาศัยเหตุปัจจัยที่แข็งแรงมันถึงดูเป็นง่าย ก็เป็นว่ายากคนละแบบจากนั้นคือท่านเชียนตะเนี่นะท่านก็เมื่อไอความคิดสองอย่างเนี่ยมันมาตีกันใจท่านสองฝากสองฝ่ายท่านพอคิดแล้วเสร็จแล้วท่านก็จะทิ้งท้ายว่าเอ๊เราที่จะทํำยังไงกันดีหนอหมายความว่าจะบวชหรือจะคลองเรือนนะจะบวชหรือจะคลองเรือนแต่ในความรู้สึก ข, ของตัวเองในเห็นโทษของการครองเรือน ใจฝักฝ่ายไปในทางบวชแต่คิดว่าการบวชก็เป็นของยากคลองเรือก็เป็นของยากแต่ไอเห็นกลองเรือเป็นของยากเพราะมันเกิดมามันไม่เกิดมาในพระเหลืองเกิดมาในชีวิตกรองเลือผมก็ต้องอยู่ก็คลองเรือนแล้วก็คิดว่ากลองเรือเป็นของยากทีนี้ก็คิดไปคิดมาก็ได้ช่องนะครับได้ฟังทำที่พระเจ้าทรงสแสดงก็กลับมาใหม่ กลับบ้านก็มาคิดว่าเอ ie, นี่เราได้ฟังธรรมะเราได้เจอช่องแล้วเราควรจะบวชการบวชนี้มีทางเป็นไปได้ที่จะทำให้ความสำเร็จของชีวิตการบวชประสบความสาเร็จในที่สุดก็ตัดสินใจบวชบวชเสร็จแล้วก็ลงมือเรียนหลักกรรมฐานก่อนแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปร า, นากฏว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่ตันคิดแต่แล้ว ท่านระบรุอย่างนี้เลยครับท่านบอกว่าท่านเชนตะเมื่อได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นั้นเป็นอาหารหันต์ประเภทสุขขาปฏิบทาขิปปาปิญญาแปลออกมาสุขขาปฏิบทาขิปปาปิญญาสุขขาปฏิบทาแปลว่าปฏิบัติสะดวกกิเลสลบกวนน้อยและข่มกิเลสได้ง่าย คิด ป, ปาปิญญาคือบรรลุเร็วตาสรู้เร็วคือหมายก็ว่าไขม่มบางคนในข่มกิเลสได้แล้วคือสกัดไอ้ไอ้แรงต่อต้านแต่พลังทางบวกอย่างน้อยก็บรรลุชาต้องมาค่อยๆเสริมพลังทางบวกนานอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติสบายข่มกิเลสง่ายแต่บรรลุชาบางพวกข่มกิเลส ยากแต่ถ้าคมได้ปุ๊บบรรลุทันทีเพราะว่าไอ้สองอย่างนี้มันต่างคนต่างก็เรียกว่าแรลงทั้งคู่นะถ้าเอาอันหนึ่งลงอันหนึ่งโปลทันทีอ่แต่บางขั้นเนี่ยครับกิเลส ก, ก็ไม่เคยกวนเท่าไหร่และถึงกวนเท่าไหร่ตัวก็ลึกจะคงขมได้ทันทีเขาเรียกว่าเป็นพวกเป็นพวกไวอะถึงจะชั่วยังไงยังไงถึงข่าวเลิกเลิกได้เลย ติดบุหรี่ติดกัญชาเงี้ยมีเงี้ยถึงคราวเลิกขี่บุหรี่กว้างจริงหน้าต่างเลิกเลิกจริงๆหลายคนและเห็นอย่างงี้นะติดเกล้าติดอะไรก็เลิกได้เลยเลิกโดยวิธีง่ายๆโดยแรงกระทบใจง่งายๆก็มีติดฟ่นก็เลิกง่า ย, า ย, า ย, ายๆก็มีที่ผมรู้จักก็เคยมีแค่เห็นเขาเตะหมาซึ่งเขาเตะตัวต่อหน้าหมาไม่ใช่เตะหมาต่อหน้าตัว ก็ได้คิดว่าเอ๊ะล่ะเขานี่ยังเกียจเรายิ่งกว่าหมานคนติดเฮโรอีนคนหนึ่งนะเป็นอดีตทหารเรือแถวสมเ็นเนี่ยครับเจ้าของร้านเปิดร้านแต่เช้าเจอไอข้ขียากับหมาแมแม่ปรีเข้ามาเตะไอ้ขี่ยาก่อนแทนที่จะเตะหมาทั้งที่หมานี่อยู่ในสถตนะที่น่าเตะมากกว่าก็นึกว่โหนี่เราชีวิตมันต่ายิ่งกว่าหมา ผมฟังไปคนนึงเออสงสัยเขากลัวไอ้ขี้ยาจะกะมยมนะั้งเนี่ยนะกคือมันไม่ใช่แค่หน้าละ่ะมันลังเกียดนจว่านานทางพฤติกรรมแลยหมาเนี่ยังไงมันจะกี่ลงกีเลิน้นมันก็ไม่กโมยใช่ไะขโมยก็แค่ของกินของเล็กของอะไรก็จะโมอยแต่เนี่มขโมยขโมยเอาเอ า, เอาหนักเลยก็พอเห็นก็รีบเตะลงกหน้าไปก่อนแล้วค่อยมาเตะหมาที่หลังก็าอาจจะไม่เตะหาก็ได้เนี่ยมันเป็นแรงกระตุน้นดีเจ้าตัวบอกผมว่า ผมเลยรู้สึกว่าผมต้องเลิกถ้าไม่เลิกในชีวิตผมมันไม่มีคุณค่าเลยอายหมาไหมเลยเลิกเลยคุณสุดตอนหลังก็เลยมาเป็นแบบอย่างเป็นกําลังใจของคนที่ติดยาเสพติดในที่ต่างๆได้จนเดี๋ยวนี้นะแค่อยู่เชียงใหม่เคยชวนให้มาพูดอะไรๆทํานองนี้ในบางที่ ตามโอกาสแล้วก็เป็นั้นว่าคนที่เห็นอะไรเป็นของยากเห็นอะไรเป็นของยากมักจะทำสิ่งนั้นได้ง่ายสำเร็จง่ายแต่คำว่าเห็นอะไรเป็นของยากมันมีความรู้สึกสองแบบแบบหนึ่งคือเห็นยากอย่างท่อแท้ยากอย่างขี้เกียจยาก สันโดยสรุปก็ยากด้วยอังกุศโรจิตของนั้นจะเป็นของยากจริงๆนะแต่ใครที่เห็นของใดเป็นของยากด้วยกูศรจิตเขาเรียกว่าเห็นปลารบด้วยความไม่ประมาทคนนั้นจะทําสิ่งนั้นสําเร็จได้ง่ายถ้าบอกว่าเรื่องกี่หมาเรื่องกี่หมาไปตลอดเที่แบบพูดอย่างเงี้ยมาเห็นด้วยความประมาทเห็นของ อะไรๆเป็นของง่ายด้วยความประมาทก็เรื่องนั้นกลายเป็นของยากไอ้เรื่องที่ไม่ไอ้ประเภทที่ไปอพลาดพลัง้งใบเป็นโรคเป็นภยัยขับรถขับลาไอ้ประเภทพูดอย่างเงี้ยเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาซะเยอะแล้วเรื่องเล็กเลยกลายเป็นดินพ่อขังหมูบ้างก็มี เลยกลายเป็นขาดความระวังเขาได้ช่องประตุสลายเอาก็มีผมอยากจะอ่านข้อความที่ท่านได้บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับท่านไว้นิดนึงท่านเขียนท่านได้กล่าวข้อความในประสบการณ์ท่านความรู้สึกในคิดท่านตั้งแต่ก่อนบวชมาจนถึงบวชเนี่ยนะ ท่านบอกว่าการบวชกระทําได้ยากแท้การอยู่รองเรือนก็ยากแท้ทำเป็นของลึกการหาทรัพย์เป็นของยากการเลี้ยงขีพของเราด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ก็เป็นของยากการคิดถึงอนิจจตาเอาท่านโทษควรคิดถึงอนิจจตาเหนื่อยๆอนิจจตาคือความไม่เที่ยงข้อนี้นะท่านก็บอกเลยว่า พระองค์นี้จะเริญนวิปัสนากรรมฐานด้วยการเพ่งอนิจจกนะเพ่งอนิจจ์แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระก็ได้ได้วิปัสนาเพราะถึงอนิจจลักษณะเป็นมุกองที่หนึ่งร้อสิบสองท่านวัชโคตรท่านวัชโคตรนี้ใคร ท, ที่ติดตามฟังธรรมะกันพอสมควรจะได้ยินชื่อ องท่านที่ผมเอ่ยถึงท่านบ่อยๆเพราะว่ามีประสูตรหลายสูตรมีหมวดประสูตรหลายอ่าบางหมวดที่ชื่อว่าวัชะโคตรสังยุทธก็มีประสูตรยาวก็มีประสูตร ก, ากลางๆก็มีท่านวัชชะโคตรเป็นใครในแน่ละตอนหลังท่า น, นเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาหนึ่งที่กล่าวว่าในตอนท้ายปงะศูตร มาฝ้าพรุทธเจ้าสนทนาธรรมพระพุทธเจ้าหลายครั้งสามข้อคงใจทั้งโต้แยง้งทั้งอะไรแต่เป็นคนมีปัญญามากองนี้นะเป็นคนมีปัญญาช่างซักช่างถามแต่ตัวท่านเองเท่านเป็นลูกพระรามมหาสารคือพ่อแม่มีฐานะทางการเงินการทองดีชาวเมืองราชคลื่นครับเรียกชื่อท่านตามโคตรคือเกิดในวัดชโคตรจึงเรียกว่าวัดชโคตร พระสูตรท่านมีทั้งอักขิว่าจะโคตทั้งจุลว่าจะโคตเป็นพระสูตรลึกซึ้งน่าฟังน่าสดับท่านได้ก่อนที่จะบวชเนี่ยนะก็ได้ร่ำเรียนวิชาการในทางสายของพระามคือไตรเพศแล้วก็ไม่เห็นเป็นสาระคือตอบสนองความประสงค์ความต้องการภูมิบัญญาของตัวท่านเองไม่ได้ท่านก็รู้สึกว่ายังต้องการอะไรในการศึกษาใหม่ ท่านจึงไปบวชเป็นปริปาชกในพระไตรปิฎกเรียก ว, วัดชะโคตตะปริปาชกแสดงว่าเป็นปริปาชกที่มีพื้นฐานทางการศึกษาดีทางสกุลดีสูงาทางครอบครัวดีก็เที่ยวไปแสแวงหาความรู้สนทนากระทั่พปุณิภูนั้นเลื่อดไปกระทั่งได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้สนทนาปัญหาแล้วก็เลื่อมใสพระพุพทธเจ้า คำถามนี่ถามลึกซึ้งมากเลยเช่นะครับผมยังเองยังต้องอ่านหลายหลายครั้งสูตรเหล่านี้ น, นานก็กลับไปอ่านที <c oughs> ตอนหลังก็เมื่อถามกันหลายครั้งหลายเที่ยวในที่สุดก็ได้ขอบวชพระพุทธเจ้าก็ส่งประธานอนุญาตให้บวช น, นี่ว่าเวลาพวกเดรัจฉยจะมาบวชที่จะต้องอยู่บรวิวา6กเดือนแต่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัส เวลาจะบวชพวกนี้นะะท่านจะบอกว่าธรรมดาวันนี้เดือนถีจะมาบวชต้องอยู่บริวารหกเดือนเพื่อเตรียมเบื้องต้นของชีวิตในทางพระของพระพุทธศาสนาใหม่ทําความเข้าใจเร็วกว่าปฐมนิเทกันนานหน่อยแต่ว่าบางคนนั้นเรารู้หมายความว่าบางคนเนี้ยก็ให้บวชได้เลยคนนี้จะไม่มีปัญหาเข้าใจอะไรได้แล้วมักยบรรลุเปลวนะ ท่านได้บวชได้เลยปริปาชกู้นี้ได้รับการบวชเลยและในท้ายสุดสุดท้ายก็บอกว่าเมื่ออักขิเมื่อวัชโคตรตะปริปาชกอุปสมบทแล้วไม่นานได้หลีกเล้งกระทำความเพียรไม่ประมาทอยู่ บ, บรรลุเป็นพระอระหันตะกีนาศบอง์หนึ่งในธรรมวินัยนี้ อ, อพอบวช ไม่นานก็บรรลุเลย ก, ก็สมควรนะครับนี่คือชีวิตพระอรหันต์ที่ต้องไปบวชนอกาศาสนาก่อนจะเรียกว่าอรหันต์สองบทก็เห็นจะได้นะคือบทนอกพุทธกับบทพุทธถึงหลายองค์นั้นเป็นอรหันต์บทเดียวแล้วก็หลายองค์ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าบทต่อไปครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบสาม องที่หนึ่งร้อยสิบสามชื่อว่าันณวัชชานี่ก็เป็นพวกญาติใหญ่กระองค์เมื่อกี้แหละครับอ่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพี่น้องกันด้วยหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นพี่ๆน้องๆกันแต่ไม่ได้ระบุชัดว่าคารตามกันม า, าเกิดในสกุลกลางมหาสาลเช่นเดียวกันพวกนี้มีฐานะดีในนคระะคราชสีมาด้วยก็มาได้ศรัทธาใน พระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ตกลงบวชเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จมาเมืองราชคลีเพื่อมาโปรดพระเจ้าวิมพิสารนะฮะก็นับว่าเข้ามาสู่ศาสนาตั้งแต่ยุคต้นเมื่อได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็อยู่แต่ในป่าเป็นคนที่รักการอยู่ป่าไม่ใช่รักป่าอย่รักการอยู่ป่าด้วยเลยเขาเรียกท่านว่าวันวัชชะ แปลว่าท่านวัชชะองค์ที่ชอบอยู่ป่าเวลาท่านมาโปรดโยมเนี่ยก็จะมักจะรีบกลับบางครั้งโยมขอให้พักอยู่ในสถานที่ที่สร้างเพื่อให้ท่านได้อาศัยเพื่อเป็นการอนุกร้อยโยมท่านก็มักจะอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วก็กลับเข้าป่าก็เป็นชีวิตที่ชอบการอยู่ป่านะทําไงได้นี่ท่านก็ก็บอกอย่างนี้พูดถึงความรู้สึกที่ท่านรักป่า ท่านบอกว่ า, าเราอาภูเขากว้างใหญ่มีน้ำใสสะอาดเกลื่อนกลนด้วยลิงและข้างดาดดืนไปด้วยน้ำและสาหรายย่อมทําใจเราให้รื่นลมคืออารมณ์ของคนที่รักป่าเนี่ยจะมีอยู่สองความรู้สึกความรู้สึกด้วยความชอบอย่างรู้สึกของนักท่องเที่ยว อันนึ่งอันนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่การจเจริญใทนทางอีกอันหนึ่งคือความรู้สึกทราบซึ้งชื่นชมด้วยความรู้สึกของธรรมะมีสองแบบถ้าความรู้สึกอย่างธรรมะเนี่ยอารมณ์ธรรมะเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ธรรมะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ให้ความสุขที่ทราบซึ้งแนบเนียนกว่ากันมากเหมือนอย่างนี้เทียบเหมือนว่าคนไปเห็นพระพุทธรูปสองคำ ด้วยคนนั้นเป็นคนมีศรัทธาในพุทธคุณกับอีกคนหนึ่งอาจจะมองในแง่ของศิลปะหรือในแง่ของเศรษฐกิจก็มีความรู้สึกไปอีกอย่างหนึง่งนะอย่าง เ, เราเที่ยวคนไปวัดเบนเนี้ก็อาจจะมองด้วยความรู้สึกเป็นศิลปะอะไรสนุกสนานไปชื่นชมไปอย่างพวกฝรั่งมาดูแต่ว่าถ้าคนไปดูอย่างไปถ้าจะมาหาย คนไปเห็นแล้วมองในแง่ของศีลก็เกิดความรู้สึกประทับใจซาบซึ้งเหมือนอย่างพวกเราบางคนไปมาตั้งแต่สมัยยังไม่ได้เข้าศาสนาไปก็รู้สึกว่าตูนเต้นมากซาบซึ้งมากนี่เขาเล่าใด้วยความรู้สึกใ้เชองโลกธ<ล>าตุแต่พอมาเข้าใจศาสนาเข้าใจอะไรแต่ไรแล้วเนี่ยไปดูอีกทีมีความรู้สึกว่าสลดมากคือไม่ได้ความรู้สึกในทางศรัทธาแบบเอเห็นโลกตะลุ่มนะ เพราะมมีความฝึกในทางก็จริงอื่นเข้ามาว้าโอผู้คนต้องลำบากต้องมาอะไรต่างๆก็เลยรู้สึกเห็นแล้วไม่รู้สึกว่ามีคุณค่าในอีกมิติหนึ่งของความซึ่งผิดกับก้อนหินก้อนดินที่เหลือแต่ซากซึ่งเป็นสังเวชนิยสถานกลับให้ความรู้สึกในทางลึกดินันักนิยมไครจึงมีสองประเภทต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยสิบสี่ วันนี้เป็นวันจบผมขออนุญาตพูดให้จบเล่มไปเลยถึงหนึ่งรอยี่สิบนะอาจจะเกินห้าโมงไปนิดหน่อยท่านผู้ใดมีตุลาจะกลับก่อนขอเชิญกลับก่อนยังไม่มีตุลาก็ฟังต่อเพื่อผมจะเป็นลมจะได้ประถมพยาบาลท่านอีกองคหนึ่งชื่อว่าอาทิมุตตาท่านอาทิมุตตะเป็นพราหมณ์จาเมืองสาวัตถีคำว่าอาทิมุตตานี่แปลว่าอัธยาศัยก็ได้นะ หรือความโน้มเอียงของจิตก็ได้จบไตรเพศแล้วก็มีความรู้ว่ามไม่มีสาระอีกแล้วครับไอ้ตรงนี้นะผมนึกว่าผมอยากจะเปรียบเทียบนหครับอย่างคนที่เรียนความรู้สมัยใหม่ที่ผมเห็นเนี่ยมีสองพวกอ่ะพวกหนึ่งเนี่ยมีน้อยอ่าแล้วผมสรัธาคืออย่างคนไปเรียนเมืองนอกเมืองอะไรเนี่ยโดยมากจะเห่อฝรั่ง กลับมาม่เหอฝลังเห็นเมืองไทยอะไรกระจอกง่อยตอกตอยไปก็มีอาจจะไม่สแสดงออกก็มีนะเหอมากเหอหน้อยเหอหยาเหละเอียดแต่มีอยู่บางประเภทครับที่ไม่เหอฝลังเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่สลดใจข้อนั้นข้อนี้แยกแยะถูกนะไอ้ดีก็แยกแยะถูกแต่ไม่เหอเวลาพูดเพื่ออะไรไม่ติดภาษาฝลังไม่ติดว่าจะอะไรก็จะต้องอ้างฝลังอ้างฝลังแล้วก็เอามาหักหานภูมิปัญญาของคนไทยได้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะ คือพูดแล้วมันเป็นดูเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนจริงๆอย่างดี อ, อย่างนี้นะก็แบบหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มีความรู้ว่าเออนี่ยนะถึงเราจะไปร่ำเรียนอะไรยางไงมันก็ไม่ได้สาระอะไรบางอย่างที่มันเป็นของสูงของของอะไรที่มันเป็นอารมณ์นองบารมีเขาสิ่งนั้นไม่ได้ส่สิ่งนั้นมาได้ในาศาสนา บางคนเขก็รู้อยู่ก่อนมาจะได้จากศาสนาบางคนก็มังกรก็เออเต็มร้อยอะไรแล้วตอนหลังก็มาได้ศาสนาเก็มีความรู้สึกเออนี่นะเราชีวิตทั้งชีวิตเรียนรู้อะไรแต่เราเห็นโลกมามากแต่ว่าไม่เห็นตัวเองมาได้จากศาสนาอ่ายุคนี้มีคนอย่างนี้มากเยอะผมรู้จักเยอะอารอมณ์อย่างนี้อ่ท่านอาทิมุตเป็นคนได้รับการศึกษาดีเสร็จแล้วก็เห็นว่าไม่มีสาระ ก็แสวงหาทำหาสิ่งที่มีแต่ละถึงตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรนะแล้วก็เมื่อใครเขาพูดถึงอะไรอะไรที่ไหนที่จะเป็นบ่อแสได้เขาพยายามแสวงหาก็จึงต้่งมาได้พบพระพุทธเจ้าในวันรับเททวันอีกเช่นเดียวกัน mm hmm. ก็รู้เลยว่าเราได้พบสิ่งที่เราค้นหาแล้วบวชบวชแล้วก็ไม่ได้รู้เป็นพระอราหันต์ที่ได้วิชาหกไม่นานอาพอได้เป็นพระอราหันต์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านมักสอนภิกษุ ลูกิษคือสอนให้ขยันสอนให้มีให้บำเพ็ญความเพียรให้มาก อ, อย่างที่ท่านบอกว่าเมื่อชีวิตจะสิ้นไปความเป็นสมณะที่ดีจกมีแก่ภิกษุผู้ขี้เกียจหรือผู้เกียจคร้านผู้ติดอยู่ในความสุขในร่างกายแต่ที่ไหนคือ ไอ้คนขี้เกียจเนี่ยมกกักจะติดสุขในทางเนื้อหนังนะติดสุขในทางเนื้อหนังซึ่งก็หมายก็ว่าสุขในทางร่างกายทําให้เกียจการแต่ว่าถ้าคนขยันโดยเฉพาะขยันในทางธรร ม, มปฏิบัติอย่างพระเนี่ยก็จะให้ความสำคัญแก่สุขในทางนมามธรรมเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอื่นนั้นกลายไปเรื่องรองลงไปแล้วก็ไม่มีคุณ ไม่มีค่าหน้าตื่นเต้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้กลับไหลมาเทมาหาบุคคลภิกษุที่มีธรรมปฏิบัติสูงเมื่อไหลเมื่อไหลก็เมื่อนั้นเหมือนกันหมดข้อต่อไปองค์ที่หนึ่งร้สิบห้าครับชื่อว่าพระมหานามะท่านมหานามะพระที่มีชื่ออย่างนี้ที่เราได้ยินในพระพุทธศาสนายาไปปนกันองค์หนึ่งเป็นหนึ่งในเบญจวัคคี องค์ที่สี่ท่านมหานามะน่นเป็นลูกหลานของพวกพราหมณ์แปดคนอีกองค์หนึ่งเป็นพระสกัาคามีลุง อ, อ๋อไม่ใช่ลุง อ, อ่าเป็นตาของพระเจ้าวิรูดภะจําได้นะมท่านมหานามะนั่นไม่ได้บวชและอีกองหนึ่งคือองค์นี้ท่านมหานามะ มานามะองค์นี้เป็นชาวเมืองสาวัถีเกิดในสกุลรามครับได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าศรัทธาบวชแล้วก็อยู่ในอยู่ที่เขาแห่งหนึ่งบอกชื่อได้เนสสาตะกะในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่อาจข่มกิเลส ท, ที่กลุ่มลุมใจได้ตรงนี้ชีวิตท่านมีกติที่น่าฟังครับคือ <c oughs> เมื่อกี้เลกลุ่มลุมเนี่ยท่านไม่อาจจะข่มได้ท่านก็เกิดความรู้สึกเบื่อเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรบอกว่าเบื่อหน่ายในอัตภาพว่าอัตภาพเบื่อหน่ายในตัวเองที่มีจิตเศร้าหมองบอกไม่ชอบไชีวิตอย่างนี้ไม่เกลียดตัวเองที่มีจิตเศร้าหมองผู้ภาษาเรานะว่าเราเนี่ยทําไมถึงเป็นอย่างนี้กิเลสไอ้ัวนี้ทําไมถึงมีทีนี้ เมื่อเกลียดอย่างนี้ท่านทำอย่างไรนะนี่นี่เป็นเรื่องแปลกให้ข้อคิดอย่างดีแล้วบางทีจะไปสอดคล้องกับที่เราปฏิบัติใช้มาเป็นวิธีการบริหารตัวเองในดังอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ได้คือปกติคนที่เบื่อตัวเองแล้วมีกรรมปานาติบาตนั้นอย่างที่เราเคยได้ยินมาแล้วผูกคอตายก็มีฆ่าตัวตายก็มีใช่ไมพยายามฆ่าแล้วไม่สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต ก็มีนะแต่องค์นี้นะท่านเบื่อตัวเองแล้วท่านใช้วิธีเห็นจะต้องเรียกว่าประท้วงตัวเองหรือขู่ด้วยประท้วงขู่ตัวเองทำยังไงท่านขึ้นไปบนยอดเขาและทำการประท้วงตัวเองว่าจะให้ตกเขาตายจะให้ตกเขาตายแต่ น, น, นี่ไม่ได้ไปแลปลว่าปักใจฆ่าตัวนะ <c oughs> ทำเหมือนกับว่าตัวนี้มีอยู่สองคนนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายคุณธรรมฝ่ายควบคุมฝ่ายหนึ่งคือตัวเองที่เป็นปัญหาเอาเป็นยี่แบ่งเป็นสองความรู้สึกขึ้นไปบนยอดเขาว่าถ้าใคยๆว่าถ้าแกายังไม่อาจจะถอนกิเลสได้เป็นคนเดียวเขาไม่ได้ฉันจะผลักให้ตกฉันจะทำอกใครๆว่า จะพยายามเดินให้ตกงเขาสายซะเลยนี่แต่ถ้าหากว่าจะเป็นคนดีได้เราจะกลับลงไปจากบนยอดเขาด้วยกันนี่ทำท่าครูตัวเองอย่างนี้ปลยสุดใครชนะเราคงเดาได้กีเลนออกเลยครับมันขึ้นไปไล่ผีบนยอดเขากีเลสออกท่านก็เออดีแล้วข้อ ย, อยังชั่วหน่อยอย่างนั้นก็ไปอยู่ด้วยกันต่อก็ ลงไปทำกรรมฐานคราวนี้บรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยต้องทำทีขึ้นไปเพี่ยงเป็นตื่นตายเนี่ยกิเลสระงับแลบรลุเป็นพระอรหันต์ไอตอนมาทำกรรมฐานไม่ได้ทำบนยอดเขานะลงมาทำกันละนี่ว่าเป็นเป็นข้อคิดของท่านนะ ลองลองดูไอความคิดของท่านที่ท่านครูประท้วงเนี่ยท่านว่าไงท่านบอกว่าดูก่อนมหานามท่านนี้จะเสื่อมจากภูเขาชื่อว่าเนศส า, ากกาที่สรักร่างไปด้วยต้นโมกมันและไม้อ้อยช้างเป็นภูเขาที่สมบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำเป็นอันมากประดับด้วยต้นไม้และเถาวัลย์โดยรอบอันนี้หมายเขาว่า ท่านจะไม่ได้อยู่มีชีวิตอยู่ได้เห็นอะไร อ, อะไรที่ดีอย่างนี้อีกแล้วละนะถ้าหากว่าอย่างถอนความคิดฝ่ายต่มไม่ออกหมายความอย่างนั้นคือจะไม่ได้อยู่กับสิ่งที่รักแล้วนะขู่ด้วยด้วยข้อแม่ข้ออ้างอย่างนี้ต่อไปองค์สิบหกครับป ร, ราบรียเทระเกิดในขุพรามเมืองราชพฤกษ เรียกว่าปราริญะเนี่ยก็เป็นการเรียกตามโคดนะถ้าท่านเองก่อนบวชนั้นเป็นอาจารย์สอนมนเป็นมนของพระรามแก่ลูกศิษย์เป็นอันมากเรียกว่าเป็นบุคคลระดับครูบาอาจารย์ตอนหลังก็เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเมืองราชคือเนี่ยได้มาพบพระพุทธเจ้าก็เกิดความเรื่องใส่ได้ฟังธรรมแล้วก็เลยศรัทธาบวชแล้วบรรลุเป็นพระาอารหันต์ไม่นานก็ การปฏิบัติธรรมที่ทําให้ท่านบรรลุท่านกําหนดอายตนะอายตนะบัพในสติปัฏฐานอดังที่ท่านเข้ามาเป็นหลักสอนแก่ลูกศิษย์ลูกหากันด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเราละภาษายตนะหกคือภาษาทางอายตนะหด้วยอาการได้แล้วเป็นผู้ อุ้งครองสวรรค์สํารวมด้วยดีกำจัดเสียได้ซึ่งสัพกิเลสอันเป็นมูลรากแห่งวัฏฏะบรรลุความสิ้นอาสวะแล้วคำว่าละผัสสะเนี่ยนะฮะคนอย่างคนเวลากำหนดตาเนี่ยตากระทบอะไรเนี่ยเราก็ไม่เอาความคิดดีคิดร้ายเข้าไปใส่ในสิ่งที่เห็นเรียกว่าเห็นสัตว์วเห็นเบื้องต้นก็ละเป็นคร่าว ถ้าเป็นอาหารหันต์ก็แปว่าละขาดต่อจากนั้นตายเห็นอะไรก็ไม่ถืออานิมิตถือเอาเป็นญาปญญาณะเข้าไปยินดีไล่ตอไปต่อไปองค์ที่หนึ่ง้อยสิบเจ็ดพระองค์นี้ก็คือพระยัสสะนั่นเองครับพระยาะสะเยะสเทยวยัสสกลบุตรท่านเป็นลูกของเศรษฐีเมืองพารณาณสีเป็นสุคุมาลาชาิคือเป็นลูกผู้ดีจัดแล้วก็ชีวิตมีความสบายเป็นพิเศษ ชีวิตที่ประสบความสุขสบายไม่มีเศษในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีไม่หลายมีไม่กี่องค์ท่านยะสานะเป็นองค์หนึ่งและอยู่ภาษาสามดูประวัติทางลัานเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยกระทั่งคืนหนึ่งเห็นภาพของผู้คนที่นอนหลับกันในเรือนในภาษาตัวเองก็เกิดความสลดใจเหมือนกับ น, นอนอยู่ในป่าชาธรรมะท่านเรียกว่ากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกขึ้นมา แล้วถึงลนออกไปหาที่ซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าที่ไหนจะไปไหนหรอกธรรมะก็กระตุน้นความสูงแล้วก็ชักไปสู่ที่นี่เรียกว่ากระตุ้นสองแบบเลยครับอุตตเจ้าเตรียมรอด้วยการเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งแล้วก็เมื่อประทับนั่งพยจก็ส่งเสียงเข้าไปว่าที่นี่วุ่นวายพผู้เจ้าตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายก็ให้เข้ามานั่งฟังพุตตเจ้าเทศ อนุปุิกถาไปสรุปจบที่สัจจะบรรลุเป็นพระโซดาพ่อตามมหาเห็นรองเท้าทองของลูกพรเจ้าให้นั่งแสดงอนุปุปิกถาซ้าอีกพอไปถึงอาิยสัตรลูกชายบรรลุเป็นพระหลานพ่อบรรลุเป็นโซดาออในอดีตเนี่ยท่านได้ทำบุญคุศลเอาไว้มากเหลือเกินก็สมควรแล้นะคะต่อทำกับพพุทธเจ้าหลายพระองค์เลยนะผมก็จะไม่ ไม่ขอเล่าให้ฟังเป็นบุญหนักหนักทำยืดเยื้อยานานถึงชีวิตได้รับความสะดวกสบายอย่างสูงส่งแต่ว่าในชาติสุดท้ายที่ได้พบพระพเจ้าองค์สุดท้ายคือพระพุทธกัปะเนี่ยท่านบวชครับนี่เป็นชาติสุดท้ายที่สร้างในก ม, รรมัธบารมีชีวิตท่านถึงต้องมาหล่นหาที่บวชในค่ําคืนวันนั้นเ อ, อปัญหาข้อจะต้องวินิจฉัยต่อไป ซึ่งไม่ใช่โอกาสนี้ก็คือว่าพยศเป็นลูกอะไรแน่ลูกของนางสุชาดาที่อยู่ขยะีรีสระเทศเหมือนอย่างที่บางแห่งพูดถึงหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยนะในที่นี้ผมก็ฝากทิ้งไว้ให้ช่วงศึกษาต่อไปออที่พิเศษอันหนึ่งที่เน้นไว้ก็คือว่าท่านพยศเนี่ยชีวิต ท่านหลายพบหลายชาติตั้งแต่ได้บวชในสมัยพระพุทธกาลสป่านี่ไม่เคยไปเกิดในใบยพูมเลยเกิดแต่สุคติอย่างเดียวซึ่งความจริงหลายพบหลายชาติมากนะแต่ว่าท่านเองเนี่ยบุญท่านเยอะแม้แต่เดรจานก็ไม่ได้ไปต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยสิบปดนะจวนแล้วนะชื่อว่าท่านกิมพีละท่านกิมพีละเนี่ยเป็นเจ้าชายหนึ่งในในหกที่ออกบวชในชุด อ่าท่านอนุรุทธะท่านอานน์ท่านกิมพิละพระอุบาลีพระเทวทัตจํำได้นะนั่นแหละครับท่านกิมพิระนี่เป็นองค์หนึ่งออกมาบวชทีนี้ที่เป็นมุมประวัติแล้วก็เป็นภูษจริยาที่น่าจะต้องพูดให้ฟังไว้ก็คือว่าอ่าแน่แล้วว่าท่านกิมพิระเนี่เป็นเจ้าศักยะเกิดในรั้วในวังแล้วก็ <c oughs> เมื่อพระเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยานิคม พระเจ้าได้ทรงเห็นญาณของกูมานี้ตั้งแต่ยังก่อนจะยังไม่ได้พบกันย า, าเจ้าชายที่จะมาออกบทเนี่ยท่านเรียกว่ า, าใช้บา ร, รมีแผ่ไปในระยะไกลกรุยทางไว้ก่อนแล้วท่านทำยังไงครับท่านเนรมิตรหญิงสาวสวยให้ปรากฏแก่เจ้าชายกิมวีลา แล้วท่านก็ให้วิธีการทำให้ค่อยๆแก่จากความรู้สึกเมื่อก่อนสวยหน้าดีแล้วก็ ค, ค่อยแก่ความสึกก็ลดราคาลดค่าพร้อมก็เห็นความอันิรจังเปลืองหน้าตาพอเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่อยว่าเอสังขาร น, นี่มันเป็นอย่างนี้เองนะเราก็เป็นอย่างนี้หญิงสาวนี่ก็เป็นอย่างนี้เกิดความสลดใจเหมือนว่ามันเคียดมันจะจะถูกถูกวิหลอกนะไอ้ถูกถูวิหลอกมันกลัว โดยแบบหนึ่งแต่นี่มันโกรธด้วยเห็นอย่างนี้แล้วมนเราเร า, เราเองก็เป็นผีทํายังไงถึงจะหนีผีผีหนีเราพ้นไปก็เลยได้ไปรวมพวกกันที่มีความรู้สึกเป็นน้นองเดียวกันนี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อนุปยานิคมเนี่ยครับแล้วก็ได้บวชในที่นั้นตามประวัติที่เราเคยรู้มาแล้วแต่ไอ้ไอ้ตอนตอนที่พี่เจ้าทรงใช้อีทาวิสังขาร เป็นสื่อชักเข้ามาในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ไม่ได้ทราบกันมาจากที่อื่นนะเมื่อมาบวชปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระหานกันเร็วหมดแล้วครับเว้นอยู่สองสองนี้ก็มีคนหนึ่งเหตุผลข้างดีคนหนึ่งเหตุผลมาพระโมคคะพระอ น, นุนบรรลุหลังสุดหลังพุทธปรินิพานแล้วก็มีอีกคนนึงที่ไม่ได้บรรลุเลยนะ ได้แก่พิญญาพระเทวทัตนอกนั้นบรรลุเป็นอหรหันต์กันไปก่อนหน้าแล้วรวมทั้งท่านอุบาลีที่เป็นอดีตช่างตัดผมด้วยแล้วได้รับยกย่องวิเศษด้วยนี่เป็นเรื่องท่านกิมพิละต่อไปท่านวัชชีปุตตท่านวัชชีปุตตานี่นับว่าเป็นผู้มีอุปการะแก่ท่านอานอนท์ตรงนี้ครับ ก็พูดได้ ว, ว่าท่านวัตชีปุตตะเนี่ยเป็นลูกเจ้าลิเชวีเป็นลูกเจ้าลิเชวีก็แน่ล่ะครับก็อยู่ในแกลนเมืองเวสราลีก็เลยเรียกท่านวัตชีบุตรแปล ว, ว่าลูกพวกเจ้าลิเชวีแห่งวัตชีแกลนวัตชีก็ว่าท่านเป็นคนที่มีความสำนึกในเรื่องของชีวิตมาแต่นานแต่ราย กว่าแม่กระทั่งเรียนวิชาทางโลกนี่ก็เอาความคิดในเรื่องของชีวิตเนี่ยไปคิดนะฮะไอเรื่องอย่างนี้นะแปลกว่าเรานื้อก็มีแต่คนรุ่นนี้คนสมัยก่อนก็มีคือเรียนไปแล้วก็มาเห็นสารไล่ล อ, ไอะไรอะไรเงี้ยคิดไปเห็นครูเห็นอาจารย์ก็เอามาคิดเป็นเชิงธรรมะแล้วมันกลายเป็นหักความคิดเข้ามาบ่มความรู้สึกในทางธรรมะแล้วเราเราแล้วเราเราก็ไอเรียนก็เรียนไปแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้เป็น จรหลุดที่ตัวคิดแล้วก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังใจเขาเรียกว่าน้อมไปที่จะพ้นทุกข์ก็เลยเหมือนกับว่าเรียนศิลปะวิทยาไปอย่างสั่งกระตายหัวใจไม่ได้เรียนไปด้วยแต่ก็เรียนได้เหมือนกับคนอื่นครับกระทั่งเรียนได้ความรู้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างๆไปกระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้มาทรงสรัรรม เสด็จมาที่เมืองเวสารีมีการแสดงธรรมกันเป็นโอกาสโอกาสก็มีโอกาสหนึ่งท่านก็ได้เข้าไปฟังธรรมะไปนั่งในท้ายที่ประชุมอย่างคนยังไม่คุ้นเคยนะก็ธรรมดาก็จะไปนั่งท้ายที่ประชุมฟังพอบฟังธรรมะแล้วก็พบทางพ้นทุกข์เลยรัวนี่เราพบทางพ้นทุกข์นี่คือทางพ้นทุกข์แล้วขอบวชขอบวชแล้วเจริญวิปัสสนากรรมาฐานก็เป็นอรหันต์เหลวอีกองคหนึ่ง ได้อภิญาหกด้วยเป็นอารหาันตประเภทจาราบิญญาเท่านี้เอาละนั่นคือเรื่องประวัติท่านในส่วนหนึ่งจนกระทั่งเมื่อหลังพุท ธ, ธปรินิพานได้เตรียมการจะ ท, ทํารังีนาพวกพระอารหาันต์หลายก็เห็นว่าท่านอ น, นเนี่ยเป็นบุคคลผู้ทรงธรรมวินยัยใกล้คิดพระศ า, าสดา ม, มากขาดท่านไม่ได้แม้ว่าท่านจะยังเป็นโสระบันอยู่ก็ตามต้องเมื่อเราตั้งหลั ก, กว่าจะให้องค์ประชุมเป็นอารหันต์หมด เป็นสัตว์บรุษหมดทําให้เป็นสภาบริสุทธิ์เนี่ยและท่าน อ, น, อนุลท่านมีความจําเป็นความต้องการก็ให้ท่านเนี่ยได้เร่งปฏิบัติให้เป็นพระเสกอารามได้ท่านอ น, อนุลก็รับทีนี้ก่อนหน้าที่ท่านจะไปหลีเลนเนี่ยท่านวัชทีปุตตะเนี่ยแหะครับได้ไปโอวาทสั่งสอนท่าน อ, น, อนุลให้เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อความบรรลุเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความที่ท่านพูดกับท่านอนุให้ฟังว่าท่านกล่าวกับท่านอนุนเป็นเนื้อความที่ฝังความรู้สึกของท่านอนุไปในการปฏิบัติว่าดูก่อน อ, น, อนุนผู้โคตมะโคตท่านจงเข้าไปสู่ชัดแห่งโคนไม้จงหน่วงนิพพานไว้ในหาไทยแล้วจงเพ่งฌาน และอย่าประมาทการใส่ใจถึงที่ประชุมจกทําประโยชน์อะไรแก่ท่านได้ให้ท่านสังเกตครับว่าการใส่ใจถึงที่ประชุมจกทําประโยชน์แก่อะไรคือบอกว่าอย่าเอาเรื่องมัติในที่ประชุมเนี่ยไปเป็นแรงกดดันลืมเสียลืมเรื่องความต้องการที่ประชุมเสียให้ปฏิบัติ ด, ด้วยความต้องการและด้วยแรงกระตุ้นของธรรมะเองไม่งั้นแล้วก็จะกลายเป็นบริโภคกังวลเข้าไปยุ่งกับธรรมะ ท่านอานนท์ก็จําอันนี้ไปแล้วก็ปฏิบัติด้วยความสุขพอใยใจในคำภีร์บอกว่าเดินจงกรมคืนอย่างลุ่งไม่ได้บรรลุนะเสร็จแล้วก็มาบรรลุเมื่อท่านเอนหลังเพื่อจะนอนบนเตียงบรรลุเอาในระหว่างเอนหลังเมื่อยังไม่ถึงอ่าเตียงหรือที่นอนก็บรรลุเป็นพระหลานระหว่างนั้นนับว่าเป็นพระหลานที่บรรลุ ในอิริยาบถครึ่งขึ้งกลางกลาาวโรยาบอกก็นะว่าแปลกปกติจะบรรลุท่านั่งกันนะครับถ้าเดินมีบ้างถ้านอนก็พอมีแล้วก็ไอ้หมวกกันีหวาดเสียวผูกคอทรงคอตายอะไรนั้นก็ก็มีอยู่อย่างที่ได้เคยเล่าแล้วอ่าเป็นนันว่า บรรลุเป็นเวลจึงได้เข้าสู่ที่ประชุมสงานานาอย่างสมพาพภูมิองค์สุดท้ายครับร้อยยี่สิบท่านอาศิทั ต, ตท า, น, าตตนั้นเป็นบุตรนายเวัญชาวเมืองอวันตีแฟนอวันตีท่านเป็นสาายนนี้มีเพื่อนดีเป็นสาหายของแต่ว่าเป็นสาหายที่ไม่เห็นตัวแลครับ คือพระเพื่อนของจิตตากฤหบดีซึ่งเป็นพระอนาคามีอท่านจิตตากฤหบดีซึ่งเป็นอนาคามีนี้ได้ติดต่อกันในทางสื่อคือจดหมายที่ฝากบุรุษไปธรณีคือพ่อค้าที่ค้าเกวียนก็ไม่ได้เห็นตัวกันนะอก็ได้ฟังข่าวว่ามีเรื่องพระพุทธเจ้าจากสหายเนี่ยบอกอะไรแต่ อ, อะไรให้ฟังทั้งเจริยวัดทั้งคํำสอน ก็เลื่อมใสตอนหลังท่านก็ไปบวชกับท่านหมากระเจยนะซึ่งเป็นช า, าวอวันตีที่เป็นอาจารย์ของอพระโสนะพระโสนะก็ได้เจริญนิพพานาและเป็นอรหันต์โดยมีท่านกระจยนะเป็นอาจารย์ผู้สอนก็เรียกว่าเป็นเวไนยของท่านหมากระเจยนะ แล้วเป็นอาหารหันต์ที่ได้วิญญาหกด้วยนะจึงลาอาจารย์มาเฝ้ า, าพทุทธเจ้าที่มัธทิมประเทศซึ่งหมายถึงแถวแถวมคดกแถ ว, แถ ว, แถวสวัสดีนี่แหละครับแล้วก็ได้กราบทูลความที่ได้บรรลุธรรมแก่พระผู้มีภาคเป็นพุทธบูชาอันนี้เรียกว่านําเอาปฏิบัติที่ได้รับความสําเร็จแล้วมากราบทูลเป็นพุทธภบูชาในภายหลังสําเนียมสมัยก่อนเป็นอย่ังไง น, นนะก็เป็นอันว่าเราจบองค์ที่ ยี่สิบเป็นร้อยรอยี่สิบแล้วก็เรื่องของการบรรลุธรรมของพระหันสำหรับในโอกาสนี้นะเราจะพักกันเดือนแล้วก็จะมาเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะพูดกันต่อไปอีกประมาณสักสิบหรือสิบสองครั้งเพื่อจะได้ จบกันอย่างสมบูรณ์นะฮะในระหว่างนี้ก็พูดแบบเป็นประวัตนะิแบบหลุดๆไปนะยังไม่ได้ทำเป็นข้อสรุปอะไรเลยก็เลยอาจจะเป็นเพียงเหมือนเป็นเรื่องเล่าเอกสมเอกสารก็ใช้พิมพ์ตังครั้งแรกๆแล้วก็เลยไม่ได้แจกกันอีเลยแต่ยังจะต้องมีในส่วนสรุปในส่วนหลักๆที่จะเป็นหลักสรุปทำให้เราเห็นภาพชัดๆในแง่มุมต่างๆให้ฟังความรู้สึกเราไปได้ อ่าช่วนนานก็เป็นนั้นว่าเราจบคนท่นนี้นะฮะก็ข อ, เ, อเรียนแะเพียงว่าเดือนเมษาที่ปรนิพันยังมีนะพรุ่งนี้ก็มีเรื่องโมหะเจตสิกแล้วก็ประสูตรเกี่ยวกับปฏิจจสมุปะเกี่ยวกับปฏิจจะถูกแล้วแล้วก็อาทิตย์อถัดไปเนี่ยนะอาทิตย์แรกแอาทิตย์ที่สองเป็นเรื่องปัญฐา น, นะฮะบรรยายเรื่องปัญหา เป็นการบรรยายพิเศษเรื่องเดียวสามชั่วโมงตัง้งแต่เช้าถึงเที่ยงแล้วก็จากนั้นวันอาทิตย์ที่ยีสิบเอ็ดกับอาทิตย์ที่ยีสิบแปดเป็นการบรรยายโครงการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการฟื้นฟูพระพุทธศา ส, าสานาในอินเดียพระไติฎ ก, กคืนสูอยา่างโดยวิทยากรหลายท่านจะบรรยายเป็นเรื่องเวลาตลอดทั้งวันก็จะรับได้เพียงหนึ่งร้อยแปดสิบ นั้นท่านจะต้องเตรถ้าจะประสงค์จะไปก็เตรียมลงชื่อแล้วจะมีใบสมัครมีใบปลิวแนะนำโครงการให้ก็จะเริ่มเผยแพร่ที่ปลานิพันธ์พรุ่งนี้นั้นท่านจะไปสมัครเองหรือว่าเขียนใบสมัครฝากเพื่อนไปก็ได้ก็จะมีผู้บรรยายหลายท่านนะ ก็ก็บอกท่าทุกท่านก็ได้ก็มีอาจจะทันเจ้าคุณเทพพิสุทธิกวีวัดโสมนัสบรรยาย3ชั่วโมงแรกภาคเช้าภาคบ่ายก็อาจารย์ธรรมมาอาดีลาดบรรยายดีนะฮะแล้วก็รู้จักอินเดียรู้จักชาวพูดอินเดียดีแล้วก็มีหมอโดมศิลป์ศรีรังน้ำบรรยายภาคบ่ายวันที่21 ด, ด้วย เกี่ยวกับเรื่องทัศนะบางประการของคนสมัยใหม่แล้วก็จากนั้นก็ไปวันที่สองก็มีอาจารย์สุขีเจริญโชตมแล้วก็อาจารย์พันโทรประสานทองพังดีแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะมีอาจารย์สถียนพงศ์วรนณปกแล้วก็มีผม ท, ที่ว่ามรดลาจะคาดเชื่อนบ้างนะแต่ว่านี่คือผู้บรรยาย เรื่องราวต่างๆก็แต่ละเรื่องที่สอดกล้องเป็นเรื่องเวลาวดีวันแรกเป็นเรื่องของปัญหาข้อเท็จจริงทางปัญหาวันที่สองทั้งวันนะั้นเป็นเรื่องอวิธีแก่วิธีฟื้นฟูอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการาจัดสร้างพระคัมภี์เพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียดอะไรทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยที่จะทําความเข้าใจก็ขอให้อ่านเอาจากใบอธิบายโครงการแจกพรุ่งนี้ ไม่ได้ไปก็อบอกให้เพื่อนเอามาฝากฝังแจกกันก็จะรับถ้าทีรับได้แล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีอาหารเลี้ยงทั้งกลางวันทั้งอาหารวางมีเอกสารหนังสือที่ที่เกี่ยวข้องก็ง เ, เล่เล็กๆกันนะแจกบงังใส่แฟ้มให้ในวันนี้ขอเชิญแผ่เมตตา สั้นๆ น, นะครับให้กับสรพรพสัตว์ทั้งหลาย